เรียนธรรมะขุดลากถอนโคนกิเลสตัวเองนะแบบต้องไม่ไว้หน้ามันเลยมันนะซ่อนเลนวางฟอร์มดีเสมอเลยกิเลสเวลาซ่อนนะครอบใจเราอยู่เราเล่นึกว่าเราเป็นคนดีคนวิเศษโอ้ร้ายแต่ละคนนะร้ายร้ายมากๆชั่วมากๆต้องเปิดใจตัวเองดูให้ได้ จะเปิดปิดบางซ่อนนะแต่ไม่ใช่ว่าต้องไปเปิดให้คนอื่นเขาฟังหรอกนะบางคนมาส่งกันบ้านหนูช่วยอย่างงั้นหนูช่วยอย่าง น, น, น, ยยางนี้พูดไปแล้วก็ภูมิใจไปอย่างนี้พูดเพื่ออวดนะนะแต่ถ้าเรารู้ของเรานะจะอวดไม่หวนไม่สําคัญนะสําคัญที่เรารู้จริงๆดีที่สุดเลยกิเลสเนี่ยมันเก่งนะตัวเบาบางซ่อนเร้นรูปโฉมมันก็งดงามกิเลส ท, ที่ละเอียดขึ้นไปนะสวยงาม ดูดีอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเนี่ยขุดค้นมันเข้าไปนะเรียนรู้มันเข้าไปในจิตใน ใ, นใจของเราทนทานสติปัญญาไม่ได้หรอกนะ ร, รู้ทันมันเข้าไปใจของเราเป็นยังไงรู้มันเข้าไปกิเลสไม่ได้ไปซ่อนอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องที่ลมหายใจหรอกกิเลสซ่อนอยู่ที่ใจเองเรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจกิเลสก็ไม่มีที่ซ่อน ถึงวันหนึ่งมันทนทานสติปัญญาไม่ได้มันถลม่มทลายลงไปวัตตาจะถลม่มลงไปนะวัตสสงสารถลม่มทลายต่อหน้าต่ อ, ต, อ, ต, อตาเป็นภาวะที่อศัศจรรย์นี่ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดสืบๆกันมานะเราก็ตั้งออกตั้งใจภาวนาก็สํารวจตัวเองความชั่วอะไรยังไม่ละความดีอะไรยังไม่ทําสํารวจเอาสิ่งที่ดีๆนะไปดูเอา ในเรื่องโพธิปักคียธรรม37สิบเจ็ดประการฟังแล้วเหมือนเยอะจริงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกอย่างเรามีศรัทธาที่แท้จริงไหมหรือเรามงมงายเรามีความเพียรจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราขยันวุบวาบเดี๋ยวก็ขยันเดี๋ยวก็ขี้เกียจเลยเรามีสติเนืองเมืองไหมใจเราตั้งมั่นไหมเราแยกรูปนามเห็นรูปนามทำงานได้จริงหรือเปล่าหรือว่าจงใจแยก เราก็จงใจคิดพิจารณาหรือว่าเห็นเอาค่อยๆดูค่อยๆสํารวจไปสติปัฏฐานสีเราได้เจริญไหมนะเจริญก็ไม่ต้องเจริญสีฐานเจริญฐานเดียวก็พออย่างรู้กายก็เห็นกายมันทํางานใจเป็นคนดูมันก็รู้ทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละรู้เวทนานะก็เห็นนะเวทนาเกิดเนื่องด้วยกายเวทนาเกิดเรื่องด้วยจิตใจก็รู้ด้วยทั้งกายทั้งใจได้อีก จิตตาโนทัศนาก็เห็นเลยตามองเห็นรูปจิตที่เกิดกิเลสราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างหูได้ยินเสียงนะก็เกิดราคะโทสะโมหะบ้างจมูกได้กลิ่นเล่นได้รสใจกระทบสัมผัสก็เกิดราคะโทสะโมหะมันก็มีกายมีจิตอีกนั่นแหละก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตอีกแหละนี่นสติปัฏฐานนะั่นไปดูให้ดีนะนจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะไม่ใช่รู้อันเดียวหรอกรู้กายอย่างเดียว มันก็เพ่งกายสิรู้จิตอย่างเดียวก็เพ่งจิตสินะต้องแยกขันธ์นะเห็นขันธ์แต่ละขันธนะ์แล้วทหน้าที่ของตัวเองไปค่อยเจริญไปเรื่อยนะสุดท้ายปัญญาก็แจ้งรูปนามทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในะจา ก, ก็เข้าถึงธรรมะเรื่องโพธิปักเทียธรรมทั้งส7มสบ็นะย่อๆลงมาก็ไม่มากนะอย่างครอบคลุมอยู่ด้วยเรื่องอริยสัจ ร, รู้ถูกไหม ทุกให้รู้อะไรคือทุกรูปนามกายใจนี่คือทุกรู้กายรู้ใจไห ม, มคำสอนใดไม่สอนให้รู้กายรู้ใจไม่มีทางอะ่ะอยู่นอกกรอบคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้ว<ม>เป็นคำสอนของเต๋าของอะไรงั้นแป<ม>เซนแท้ๆก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิด<ม>พวกเซนแท้ๆนะคาว่าเซนคือคำว่าชานันพวกนี้นั่งสมาธินะเคยดูเลือก EQ ซสังไมไเห็นหมเือคสัง ที่ไม่ให้พูดอย่างเดียวเห็นไหมถึงเวลาไปนั่งสมาธินะนะเราไปเอาแต่ตอนที่คิวงพูดนะอตอนอก็นั่งสมาธิไม่เอานะ <c oughs> ไปคล้ายๆไปได้มาด้านเดียวนะ <c oughs> ไม่สมบูรณ์ <c oughs> ไได้แต่ด้านปัญญาไม่เน้นเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องศรัทธาเรื่องวิริยะเลยทิ้งหมดอย่างนั้นก็ไปไม่รอดนะไม่ตรงเรารู้ทุกข์ให้มากเรารู้กายรู้ใจให้มากนะรู้อย่างที่เขาเป็น วันหนึ่งเรลสาะสมุทยแจ้งนิโรธเกิดอรยิยมรรคขึ้นมาเป็นของเขาเองต้องสู้นะอย่าท้อถอยตั้งใจว่เลยว่าชีวิตนี้ต้องดีขึ้นเรื่องอะไรจะเร็วลงเรื่องอะไรจะเสมอตัวมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะประนีตลึกซึ้งถึงขนาดนี้นะโอกาสที่จะได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าหายากนะยากมากเลย วันเวลาที่มีพระพุทธเจ้านะั้นสั้นนิดเดียววันเวลาที่ไม่มีธรรมะแท้ๆนะั้ยาวนานนานนานพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นองค์หนึ่งเกิดขึ้นองค์หนึ่งแล้วเนี่ยศา ส, สนาตั้งอยู่ไม่นานพระศาสนาพุทธเนี่เป็นศาสนาฝืนโลกฝืนกิเลสไม่ใช่ตามใจกิเลสถ้าตามใจกิเลสก็อยู่นานฝืนโลกฝืนกิเลส สู้โลกสู้กิเลสไม่ได้นะคนใจมันท้อถอยนะธรรมะก็หายไปทิ้งธรรมะเอากิเลสแทนธรรมะง่ายๆทําทสมาธิแล้วมีความสุขนะไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็ทํากันเพราะว่ามันตามใจกิเลสทำแล้วมีความสุขหรือไหว้พระเจ้าไหว้เทวดาให้เทวดาให้พระเจ้าช่วยอย่างนี้มันตามกิเลสเราไม่ชอบช่วยตัวเองเราชอบให้คนอื่นช่วยให้คนอื่นช่วยมันสบายดีนะ ตามใจกิเลสแล้วไม่ได้คิดจะมีวิริยะอุตสาหาอะไรที่ดีเลยนั้นธรรมะแบบนี้เขาอยู่นานธรรมะช่วยตัวเองอยู่ยากธรรมะที่ต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาอยู่ยากมากเลยงั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วอย่าเสียโอกาสนะรีบพอนะงั้นวันข้างหน้านะไปเกิดต่อไปไม่มีธรรมะเนี่ยจะทำไงลาบากมีบางคนนะคิดการไกลมากเลย ปั๊มซีดีลงพ่อแจกแจกตลอดเวลาเลยนะตัวเองไม่ฟังนะแจกไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยเคยมาบอกนะว่าเนี่ยเป็นความรอบครอบของผ ม, ผมเกิดไปชาติหน้าซีดียังเหลืออยู่ยังได้ฟังนะชาตินี้มันไม่ฟังอยู่รอไปฟังชาติหน้าปั <c> ๊ม <oughs> ซีดีไว้เผื่อว่าจะได้ฟังชาติหน้าลืมไปว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นคนเอธิโอเปียฟังไม่ออกอีกนะฟังไว้ได้เนะี่ย หรือภาษามันเปลี่ยนหมดแล้วภาษาไทยรุ่นที่หลวงพ่อเทศเนี่ยคนอีกร้อยปีก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วพวกเราฟังคนสมัยอยุธยาพูดรู้เรื่องไหมผมไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วกูว่าอย่างเงี้ยมึงว่าไงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาก็พูดกันอย่างนี้นะเรียกผู้หญิงก็เรียกีนะเรียกนนีนั่นีนี่ไอผู้ชายก็ไอพวกสิบสองปันนายเขายังเรียกกันไอกับีนะ วันนี้ก็ายังยังมีคำนี้อยู่ตรงเราไม่มีละเป็นคุณหมดเลยแต่ก่อนคำว่าคุณเนี่ยใช่กับลูกท่านหลานเธอลูกชาวบ้านคุณไม่ได้ไม่อายก็อีเนะนี่ยภาษามันก็เปลี่ยนนะใครไปรู้เรื่องงั้นแทนที่จะมองกันไกลปั๊บเอาไว้ฟังชาติน้านะรีฟังในชาตินี้แล้วก็ลงมือทำเข้านะ ชา้นหน้าภาษาธรรมะจะเป็นภาษาอะไรไม่สําคัญเลยใจเอาเคยปฏิบัติแล้วนะได้ธรรมะมาสะกิดใจนิดเดียวก็ไปแล้วมันทนอยู่ไม่ได้อเอาใครจะคุยจะหลวงพ่อเชิญพวกอยู่วัดให้ก่อนพวกอยู่วัดกันมีไหมอ้าว่ามาครับก็อยู่นี่ก็ใช้กันเดินตรงกล ม, มนะครับแล้วก็คันขึ้นไหวแล้วก็มีดูในชีวิตประจํำวัน อ, อแล้วก็ มีพักธรรมสมถะบ้างถ้าอย่างนั้นก็อยา ก, ยากให้หลวงพ่อให้คําแนะนจําอีกคทำอีกนะกําลังเป็นเรื่องสําคัญนะถ้าไม่มีแรงเหมือนเรามีมีดแสนคมคือปัญญาแก่กล้านะจะไปตัดต้นไม้ซักต้นไม่มีแรงก็ก็ ก, ก็ต้นไม้มันก็งอกเร็วกว่าที่เราตัดอีกไม่ได้เรื่อ ง, งต้องแรงเยอะๆนะแรงเยอะแต่ไม่มีปัญญานะเหมือนเรากะบองไปตีต้นไม้อีกนะไม่ขาดหรอก อ่ะว่ามาอตอนที่เดินจงกรมค่ะก็จะเห็นนะคะว่าใจมันก็จะแวบไปคิดอะไรอย่างเงี้ยได้ตลอดเลยเ อ, อ้อย่างนั้นดีนะมไม่ห้ามหรอกอแวบเรารู้แวบเรารู้ไปต้องฝึกให้มากนะกลับบ้านก็ต้องทําถ้าอยากได้มากได้ผลในชีวิตนี้ก็ต้องขยันทุกวันไว้ภาส่วนมนคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ได้ศรัทธาทุกวันตั้งใจต้องปฏิบัติ ได้วิริยะอยู่ในชีวิตประจำวันหรือตอนนั่งปฏิบัติก็เหมือนกันจิตเคลื่อนให้รู้อะไรเกิดขึ้นในกายในใจให้รู้ไปเรื่อยทั้งวันนะได้สตนะิตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยจิตก็ตั้งมั่นได้สมาธิด้วยนะแล้วก็ค่อยเห็นธาตุขันเขาแยกออกไปธาตุขันเขาทำงานก็ได้ปัญญาขึ้นมะาต้องได้ครบนะศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาไม่งั้นไม่มีกาลัง ห้าตัวนี้เรียกว่าพละเรียกว่ากำลังะนะำมัสกาหลวงพ่อเจ้าค่ะว่างไงเรามาอยู่สีวันนะเจ้าค่ะจิตมันหลงไปสสีสองคืนนะเจ้าค่ะจิตไปไหนจิตหลงฝุ่นสร้างเจ้าค่ะโอ้เรารู้ไหมหรือไม่รู้เลยมารูสองคืนหลังเจ้าค่ะก็อย่างดี <laughs> <laughs> อย่างดีถนะ้าได้รู้สองคืนก็ยังดีเราได้อ่านนะ หลวงพ่อจอพาตอนที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อนั่งสมาธิอายุเจ็ดปีเองจะพาแล้วก็มีสะดุดอยู่คำหนึงอะที่หลวงพ่อบอกว่าได้ล้มลุกลุกลานนานแล้วจะพากว่าจะมาถึงวันนี้อะเออมันต้องอย่างนั้นแหละมันล้มลุกลุกลานทุกคนหลยอย่าว่าแต่เราเลยนะพระพุทธเจ้าเราล้มลุกลุกลานตั้งหนักหนาสหาหันนะทุกทรมานตั้งมากกว่าจะกระเสือกกระสนขึ้นมาได้ ก็มีแบบแผนตัวอย่างให้เราเห็นบัณฑิตแต่ละท่านเนี่ยท่านต่อสู้มาทั้งนั้นไม่มีฟลุกไม่มีบังเอิญดั้นเราก็ต้องตื่นรอยตามท่านต้องอดทนต่อสู้เอาไปทําอานภาส ก, การค์นคะหนูที่หลวงพ่อสั่งให้หนูไปดูเรื่องจิตเคลื่อนหนูก็พยายามทําค่ะ แล้วก็ให้ไปท่องสวดมนต์เยอะๆขึ้น <Yeah. S 2> หนูก็ไปทําค่ะ yeah, yeah. แล้วหนูก็ไปสวดอิติปิโสร mm ้อยแปดตั้งแต่วันอังคารมาคะ mm ่ะ hmm. เตร็จแล้วคราวนี้วันพุธคุณลุงผู้พิพากษาก็เอาหนังสืออนาปานาสติมาให้หนูแล้วคุยเรื่องเรื่องชานิดหน่อย mm hmm. หนูก็นั่งอ่านไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ตกกลางคืนนะคะหนูทําไปทำมาแล้ว เห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูก็ขี้เกียจทำแล้วอะค่ะหนูก็จะไปนอนแล้วคราวนี้คราวนี้ก็หนูก็กลัวมันนอนเร็วไปหนูก็เลยขึ้นมาใหม่อะค่ะเสร็จแล้วคราวนี้พอหนูก็ฝืนเพราะหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ดูจิตที่เคลื่อนน้ะหนูก็หนูก็ลาคาญแต่หนูก็ดูก็ได้อะค่ะแล้วพอดูไปดูมาสักพักนึงอะค่ะมันเหมือนกับแบบความรู้สึก ที่มันเคยทำมามั น, ม, นมันเข้ามาใหม่แล้วหนูเพียงแค่เพ่งไป น, นิดเดียวที่ตรงหัวคิ้วอะค่ะแล้วคราวนี้มันก็ดิ่งลงไปพอมันดิ่งลงไปแล้วคราวนี้มันก็สงบแล้วคราวนี้หนูก็สบายแล้วแล้วมันก็ขี้เกียจยังไม่อยากจะเดินอะไรเพราะหนูรู้สึกเหนื่อยเหนือูก็เข้าไปพักพอหนูเข้าไปพักแล้วมันสงบไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งหนูก็จะเห็นเขาคิดนู่นคิดนี่หนูก็มองไปเฉยๆ ส แ, แล้วคราวนี้พอเขาเริ่มมีแรงขึ้นมาค่ะเขาก็ออกมาพิจารณาเองแต่ว่ามันยังอยู่ในความสงบอยู่อย่างนั้นนะคะใช่ได้ดีค่ะก็ดีแล้วนี่ยดีแล้วก็เสร็จ แ, แล้วคราวนี้พอตอนหลังอะค่ะหนูก็ไม่ทราบอีท่าไหนมันไปนึกถึงหนังสือที่คุณลุงให้มาหนูก็ลองเพ่งพิจารณาดูเพราะมันหนักหนักหนูก็เพ่งพิจารณาดูที่ขาค่ะเพ่งเข้าไปนิดเดียว หนูก็ลองดูว่าธาตุดินมันจะเป็นยังไงหนูก็เพ่งเข้าไปหนูก็ไปเห็นอะไรมันเป็นปุยๆเหมือนดินล้วนขึ้นมาเยอะๆเยอะๆอะค่ะทีแรกหนูกลัวไป น, นิดนึงแต่คราวนี้มันจับกลัวทานมันก็เป็นเฉยๆอะค่ะแล้วคราวนี้สักพักหนึ่งมันเห็นยืนงั้นสักพักหนึ่งอะค่ะแล้วมันก็สลายไปแล้วคราวนี้หนูก็มองไปที่ขาท่อนเดิมหนูก็เพ่งเข้าไปใหม่คราวนี้หนูก็อยากจะรู้ว่าธาต์ ท่านลมเป็นยังไงอะค่ะแล้วคราวนี้หนูก็เห็นขาไอ้นนั้นนะคะมันก็มีเหมือนอะไรเป็นฟองๆฟองๆที่มันดันไปดันมาแล้วมันก็จะหาทางออกที่นิ้วเท้ามันก็หาไม่เจอแล้วหนูก็ก็มองไปอย่างนั้นแล้วหนูก็เห็นเวทนามันปวดอยู่แต่หนูก็ไม่ได้ทําให้มันปวดอะไรแล้วหนูก็ไปเห็นความสุขที่มันแทรกขึ้นมาระหว่างเวทนาหนูเห็นสุขแล้วหนูแล้วมันก็ดับไปอะค่ะแล้วก็มาดูเวทนาต่อ สักพักหนูก็เพ่งไปหนูอยากรู้ว่าธาตุไฟมันเป็นยังไงหนูก็ไปเพ่งลงธาตุไฟอะคะ่ะแล้วหนูก็เห็นความร้อนของขาท่อนเดิมมาคะ่ะแล้วลสักพักหนึ่งนะคะมันเหมือนกับว่าเขาค่อยๆถอนออกมาแล้วค่ะเนี่ยแต่รในระหว่างที่เพ่งดินลมไฟพวกเนี้หนูก็จะเห็นความคิดที่มันสลับไปสลับมาด้วยอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็สักพักนึงเขาก็ค่อยๆถอนมาแล้วค่ะแค่เนี่ยคะ่ะก็ดีนะไปทําต่อนะ ยังไม่ขาดหรอก <Okay. S 1> ส ก, กยายะทิฏฐิเรายังอยู่ก็ดูไปแล้ว <Okay. S 1> รู้ทันนะเห็นร่างกายเนี่ยสักแต่ว่าเป็นก้อนธาตุจิตใจก็เป็นแค่ธาตุรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาที่ตรงไหนเลยเนีย่ยในธาตุไฟก็ไม่ใช่คนดูออกไหมธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมก็ไม่ใช่คนนะนตัวธาตุรู้ยังเป็นคนอยู่แล้รู้ทันนะ น, นี้ที่หลวงพ่อบอกหนูบอกว่าที่หนูฟุง้งหนูจะใช้โดยวิธีการดูเคลื่อนที่หลวงพ่อบอกได้ไหมคะเอาแค่เคลื่อนได้ถ้ารู้แค่นั้นนะจะได้สมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธิไปเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกอค่ะขอบพระคุณสมาธิดีขึ้นนะเอาใครจําเป็นจะคุยกับหลวงพ่อนะการนมันสการครับก็ส่งกันบ้านในรอบประมาณ3ามเดือนกว่าครับ ก่อนหน้านั้นผมเคยกล่าวเรียนหลวงพ่อครับช่วงที่เรานอนนะครับเห็นเหมือนคล้ายๆเป็นวิถีของจิตนะมันขึ้นมาแล้วก็มันมีการมวนตัวไขตัวแล้วก็ดับไปครับแล้วก็ช่วง3มเดือนกว่าๆที่เราเคยกลาวเรียนหลวงพ่อครับว่าตอนเดินอยู่ตรงริมฟุตบาทนะครับอยู่ดีเห็นจิตมันเคลื่อนอพอมันเคลื่อนเสร็จก็เห็นมันดับอยู่ตรงหน้าครับแล้วมันเห็นเกิดติดต่อประมาณ 3- 4ี่ครั้งอแต่ตอนที่เกิดเนี่ยมันค่อนข้างเร็วะครับคือยังไม่ทันเห็นว่ามันปรุงหรือคิดเรื่องอะไร เช้าที่แล้วที่ส่งหลวงพ่อก็อบอกว่าให้ไปทําต่อแต่ว่าอย่าเร่งรีบอครับก็ตอนที่กลับไปก็ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับขับผมขับรถทางไกลไปคนเดียวครับไปวัดตาแล้วพอไปถึงเสร็จเราก็เหนื่อยเราก็จะพักอวันนั้นอยู่ดีๆมันก็คิดขึ้นมาบอกว่าเอวันนี้เราจะไม่เดินจงกรมวันนี้เราจะไม่นั่งสมาธิ แต่เราจะนั่งดูสภาวะเท่าที่มันดูได้ครับแล้วพอตอนนั้นเราก็ลงนั่งแล้วก็หลังพิงฝามันก็เห็นสภาวะขึ้นมาอีกครับก็คือผมเข้าใจว่าเห็นต่อจากที่เคยส่งกันบ้านไปครับคือเห็นมันเหมือนนอกจากจิตมันเคลื่อนแล้วก็มันมีการดับต่อหน้าที่เราเห็นแล้วเนี่ยเห็นมันมีกระบวนการยิบย่อยก่อนช่วงนั้นนะครับซึ่งมันเป็นกระบวนการซึ่งมันมันไม่มีคาพูดอะครับแต่เท่าที่เท่าที่ พยายามนิยามมันก็คือมันมันเหมือนเป็นตัวจิตมันเข้าไปปรุงกับตัวอะไรสักตัวหนึ่งแล้วมีการหมวนตัวอืเหมือนเดิมแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าจะพูดว่ามันคืออะไรแต่ว่าสุดท้ายมันคือมันเห็นดับครับแล้วก็เห็นเข้าใจว่าเห็นติ ด, ต, ดติดกันอย่างเงี้ยเกือบยี่สิบนาทีได้ อ, อก็เลยดีเลยเร า, า, เราได้เด็กปัญญาไปเลยเห็นแต่สภาวะไม่มีคนมีสัตว์มีอะไรหรอกมีแต่สภาวะนะ ดูสบายๆดูไปได้อย่ารีบร้อนนะหมายถึงว่าอย่ารีบคาดหวังว่าจะมีผลอย่างนั้นอย่างนี้ครับทําให้มากดีทําได้ดีหลวงพ่อมีมีอะไรแนะนำด้วยหรอชุดดอนก็อย่ารีบยังอยากได้อยู่ครับใจน่าคิดน่าจะบรรลุสัทีอะไรอย่างนี้นะมันมันจะกวางครับถึงบอกว่าใจเย็นๆกรรมธรรมสถานนะมีอีกอีกไหมยงไม่ได้ส่งกับบ้านสักช่วงหนึ่งแล้วเจ้าค่ะ ก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะส่งการบ้านเอาสิส่งมาอืมก็จะเห็นอากุศลเยอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็แสดงว่าเห็นถูกแล้วก็เห็นเออมันสมัยก่อนมันจะเห็นว่าเป็นเราอะอกุศลแต่ตอนนี้มันจะเหมือนกับอีกคนนึงอะพูดเออใช่มันพูดออมันร้ายมันโทสะอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>แต่ไม่รู้ว่าเห็นถูกหรือเปล่าจะถูก เลยมาให้หลวงพ่อช่วยเห็นถูกนะคำถูกแล้วล่ะดีดีขึ้นตั้งเยอะแล้วเขาพึ่งจะเห็นไหมว่าไม่เหมือนเดิมมันเป็นกลางมากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะมันกลางมากขึ้นมันรู้มันตื่นมันเบิกบานสบางสวยมากขึ้นแต่มันไม่ค่อยตื่นอ่ะอยาให้ตื่นแบบไหนตื่นเต้นเหรอมันมันเหมือนมันเป็นหวัดด้วยแล้วมันก็ มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าเป็นบัตรก็ส่วนเป็นวัตรนะบางทีมึนๆไม่ใช่โมหะนะเป็นเรื่องร่างกายใจเราสว่างสวัยคนละอันกันดีขึ้นแล้วล่ะดีไปทำอีกนะขอบคุณเจ้าค่ะหนูนะหลงพ่อยกย่องเลยนะหนูอารมณ์รุนแรงนะหนูพอนามันได้ขนาดนี้เก่งนะขอบคุณค่ะ นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูไม่ได้มาหาหลวงพ่อประมาณสามปีแล้วเจ้าค่ะแล้วก็คิดว่ามันไม่เป็นไรอ่ะค่ะจนกว่าเมื่อปีที่แล้วอะค่ะคือคือจิตมันมันแรงมากมันแบบมันขี้หุดหงิดมันเห็นแต่อะไรที่ที่รุนแรงแล้วมันก็ไม่ดีอ่ะค่ะทีนี้แล้วมันก็ไม่มีกําลังที่จะที่จะเก็บเอาไว้อะค่ะคือมันออกมาหมดเลยแล้วก็รู้สึกรู้สึกฟังธรรมะไม่ได้อื แล้วก็เอียนพาค่ะแล้วทีนี้ทีนี้ก็โชคดีที่ที่เพื่อนนะคะเห็นว่าเห็นว่าเขาประกาศว่าคนที่จับฉลากได้นะคะคือให้ให้เข้ามาเลือกวันได้แล้ว<ม>ก็เลยคิดว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะก็เลยไปเร่งความเพียรมาเพื่อจะมาส่งกันบ้านนะคะ <laughs> ทีนี้ก็เลยคือพอในในสมาธิอะคะ<ม>่ะก็คือเห็น เห็นว่ามันหลงไปสองอย่างอะค่ะคือหลงแบบขาดไปเลยแบบไม่รู้ตัวกับหลงแบบมันรู้สึกอยู่แต่ว่ามันมันมัวมันเหมือนมีอะไรหุ้มอยู่อะค่ะทีนี้วันนี้ก็มาเป็นวันแรกไม่อยากให้มันเสียเวลาค่ะก็เลยอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําว่าวันนี้จะทําอะไรดีก็ค่ะตรงที่มันกระจายหายไปเลยเนี่ยไม่ดีนะตรงที่มันมัวอยู่เรารู้ว่ามัวอยู่ทีนี้ยังพอใช้ได้นะแต่ให้รู้ด้วยความเป็นกลาง อย่างจ uh, um me, ิตม uh, ัวนะรู้ว่ามัวไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากให้หายรู้ว่าอยากอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราดูจิตเป็นไม่ใช่ดูให้มันสว่างนะแต่ดูให้รู้ถันว่ามันกําลังเป็นยังไงอยู่อย่างมันมัวรู้ว่ามัวใช่ได้มัวเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใช่ได้ไม่ชอบแล้วอยากให้หายมัวรู้ว่าอยากใช่ได้ดูอย่างนี้ไปเรื่อยส่วนที่มันกระจายหายไปไม่ดีนะอย่าให้หายนานวิธีไม่ให้หายนานคือต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ อยู่กับพุโทโธอยู่ก็บลมหายใจอะไรก็ได้นะจิตหนีไปแล้วรู้เา่าไป ท, นะ ท, ทํานะไปทําที่ที่ทำมาใช้ของเดิมได้ไหมคะแล้วก็แล้ก็มารู้จิตด้วยใช้อะไรล่ะคือหนูสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเวทนาในร่างกายได้อะไรก็ได้นะถ้าอยู่ในสติปัฏฐานเนี่ยเวทนาก็ใช้ได้แต่เวทนาจะทําได้ดีถ้าสมาธิเรามากพอนะถ้าสมาธิไม่มีไปดูเวทนาไม่ได้จริงหรอก พูดถึงคนอยู่วัดนะจองคิวกันไปปีแล้วหกสิบว่าแล้ว 61, หกสิบหนึ่งแหกสิบสองอะไรนั้นนะจริ ง, รงๆอยู่วัดอย่านึกว่าเจอหลวงพ่อทั้งวันนะไม่ใช่นะไม่ค่อยเจอเหรอกหลวงพ่อไม่ค่อยอยู่วัด <c oughs> บางคนนะสงสารมากเลยมาอยู่นะไม่เจอหลวงพ่อเลยก็มีนะเห็นแล้วสงสารแต่ไม่รู้ทำไงางานเราข้างนอกเยอะจะมานั่งเฝ้าไปสามสี่คนห้าคนหกคนเลยนะ คนทั้งนอกอีกเป็นร้อยเป็นพันนั้นถ้าจะมาอยู่วัดนะภาวนาให้เป็นหน่อยแล้วมาช่วยตัวเองให้เยอะอะไรเงี้ยก็แค่ว่าเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่อยู่บ้านมีเรื่องกวนใจมากภาวนายากมาอยู่วัดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะรับผิดชอบชีวิตตัวเองคนเดียวไม่มีภาระมากอะไรเงี้ยดูทองตัวเองได้มากหน่อย บางคนนึกว่าอยู่วัดแล้ส่งกันวัดได้ทั้งวันไม่ใช่หรอกถามคนที่อยู่ในวัดเนี่ยพวกพระที่อยู่ในวัดวันวันหนึ่งเจอหลวงพ่อตอนไหนโยมพระที่อยู่ในวัดเนี่ยเจอตอนนี้แหละแล้วก็เจออีกทีตอนสี่โมงครึ่งตอนพระฉันน้นาําปานะเจอแค่นั้นแหละนว า, าสการเจ้า ค, ค่ะคือตอนนี้โยมขายคลินิกที่ทําอยู่ให้เพื่อนไปแล้ว เพราะว่าโยมมีความรู้สึกว่าความสําเร็จใดๆ ใ, ในโลกไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงค่ะอืตอนนี้โยมกําลังจะไปอาศัยวัดป่าเล็กๆที่สกลนครไปภาวนาไม่มีกําหนดกลับเจ้าค่ะก็เลยมาขอคําแนะนําจากหลวงพ่อเจ้าคะอย่านึกนะว่ากิเลสกลัววัดน่ะ <c oughs> หลวงพ่อนะภาวนานตอนเป็นโยมนะแล้วรู้เลยว่าการภาวนานตอนเป็นโยมเนี่ยถ้าเรารู้หลักน่ะไม่ช้ากว่า ไปอยู่ที่วัดหรอกอยู่ที่วัดมันก็โลกโรคหนึ่งกิเลสไม่กลัววัดหรอกกิเลส ไ, ไม่กลัวพระเหลืองด้วยไม่กลัวพระไม่กลัวหัวล้นหัวไม่โล้นนะไม่กลัวอะไรสักอย่างหนึ่งกลัวสติกลัวปัญญาเท่านั้นแหละงั้นอยู่วัดมีสติปัญญาเออก็เก่งอยู่บ้านมีสติปัญญานะทําคลินิกทาอะไรก็ไม่เป็นไรนะ แล้วถ้าโยมจะไปฝึกทําฌานเพื่อจะให้ดูจิตได้ชัดขึ้นเนี่ยโยมฝึกของดีที่ไม่สมควรกับโยมหรือเปล่าเจ้าค่ะฝึกยากนิดหนึ่งนะจะไปบอกว่าให้หลวงพ่อบอกว่าไม่ควรฝึกไม่ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าบอกธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาหลวงพ่อแค่แบอกว่ามันฝึกยากหน่อยนะถ้าจะเอาให้ได้ก็ต้องอดทนเอาเรารู้หลัก ถ้าจะทำฌานเนี่ยต้องอย่าอยากนะอย่าอยากสงบนะแค่ะระลึกรู้อารมณ์ที่ปรากฏ ต, ต่อหน้าเราเนี่ยเช่นพุโทโธหรือหายใจนะรู้ไปด้วยความรู้สึกตัวหนึ่งเดืองจิตใจมันมีความสุขขึ้นเมื่อไหรจิตใจมันก็สงบเมื่อนั้นแหละแต่ถ้าไปเค้นมันจะให้มันสงบมันไม่มีความสุขมันเครียดจ้างให้มันก็ไม่สงบถ้าได้หลักนี้การทําสมถะไม่ยากเกินไปหรอก ถ้าทำความสงบได้ก็ทำทำได้แล้วก็ดูกายให้มากไว้เอากายให้เยอะๆนะดูแต่จิตไม่ได้หรอกอจําจไว้นะอย่าทิ้งกายนะเดี๋ยวไปนะอยู่วัดทิ้งกายไม่ได้นะดูจิตแล้วมันว่างมากว่างๆๆเลยติดว่างอยู่ตรงนั้นเลยถ้าอยู่วัดทำสมาธิมากต้องมาดูกายไว้ มันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงใจรักให้เราเห็นได้ง่ายส่วนจิตนะถ้าเราทําสมาธิลึกไปจิตจะนิ่งๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้เราดูดูยากซะอีกถ้าจะดูจิตนะเป็นโยมนี่แหละดูจิตได้ง่ายแกวงทั้งวันแขวงทั้งคืนแขวงทั้งตื่นแขวงทั้งหลับนะมีให้ดูอยู่วัดท่าสงชานอย่างเงี้ยอยู่เป็นวันๆอยู่ไปเรื่อยไม่มีอะไรให้ดูเลยว่างๆก็ต้องมาดูกาย นมาส ก, การครับหลวงพ่อผมไม่เคยมาหาหลวงพ่อเลยเอแต่ว่าฟังซีดีหลวงพ่อมาสี่ปีแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติมาตลอดก็เห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็เห็นเห็นโกรธกังุลหงิดเห็นอะไรนะเห็นเห็นโกรธกังุลหงิด<อ>ละเอียดขึ้นนะครับดีดีแล้วก็มีสติมีสติบ่อยขึ้นอืแล้วก็ เห็นความมุ่งหงิดตามหลังสติมามาอยู่เรื่อยๆแต่ตอนหลังก็รู้สึกมันซาซาให้หายครับแล้วก็จิตมันชอบไปดูใจรักแต่ว่าไม่ไม่ค่อยย้อนกลับมามาแยกคือถ้าเราไม่ได้แยกรูปแยกนามนะมจึงจะไม่เห็นใจรักหรอกใจรักจะไปอยู่ที่ไหนใจรักก็อยู่ที่รูปนามที่กายที่ใจของเราเราไม่ได้ไปดูใจรักข้างนอกนะดูย้อนเข้ามา ผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าผมผมแยกแยกขันได้หรือยังเห็นไหมเห็นตรงนี้เห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันหรือว่าไม่ชัดไม่ชัดครับเห็นโกรธกับใจเป็นคนละอันไหมเห็นไหมเวลาโกรธเน่ยใจเราเป็นคนดูเห็นครับเออถ้าอย่างนั้นเรียกว่าแยกขันนะถ้าเวลาโกรธเราเห็นเลยความโกรธอยู่นอกหน้าใจเราเป็นแค่คนดูแค่นี้เรียกว่าแยกแล้ะ ถ้าอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปใจที่เป็นคนดูเดี๋ยวก็หายกลายเป็นผู้คิดนะผู้รู้ก็หายกลายเป็นผู้คิดพอฟิกคิดสักพักเนึ้อสติเกิดนะผู้คิดก็หายกลายมาเป็นผู้รู้<ม>ก็เกิดดับได้อีกนะคุณเห็นไหมว่าจิตมันทํางานได้เองเห็นครับ บ, รบับงคับบังคับไม่ได้ของคุณ <ผม S 1> อ่ะ<ผ> ม, มันจะเห็นอนัตตานะผมผมเห็นตัวนั้นบ่อยเหมือนกันนั่นแหละตัวนั้นอ่ะดีนะดูอนัตตาให้มาก เพระจริตนิสัยจะต้องดูอนัตตาทำไมหลวงพ่อรู้ว่าต้องดูอนัตตาขี้มโมโหใช่ครับมันเป็น<า>ของคู่กันเลยแล้วมันชอบบังคับบงังคับตัวเอ ง, บ, งบังคับนั่นแหละดูอนัตตาไปเรื่อยนะแล้วมันจะก้าวหนะ้าพวกขี้มโมโหนะคนมีบุญนะแต่เป็นบุญที่แบบเดินอยู่บนปากเหีว้วพลาดนิดเดียวตกนรกเลยนะแล้วก็ไปมรรคผลนิพพานเนี่ยไปได้เร็วเพราะอะไรเวลาโทสะเกิดจิตจะมีความทุกข์ จะขยันนะถ้าเห็นทุกข์เรื่อยๆนะมันจะอยากพ้นไปยังไม่นิ่งนอนใจแล้วพวกโทสะกล้าเนี่ยโทสะมีลักษณะรวดเร็วรุนแรงทําลายล้างมันเป็นลักษณะเป็นตัวร่วมกับปัญญาปัญญามีลักษณะรวดเร็วรุนแรงทําลายล้างเหมือนกันแต่ทําลายล้างกิเลสนะงนั้นพวกปัญญากล้าเนี่ยมันจะเห็นอนัตตานะงั้นคุณดูอนัตตานะั่นแหละถูกกัจจเิตแล้วละ่ะก็คุณครับมีมีอีกนิดนึงนครับเ อ, อ่อ เวลาผมทำทำสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะจะสงบหรือไม่สงบเนี่ยพอออกมาเนี่ยถ้าเกิดกระทบอะไรที่มันที่มันหงุดหงิดใจที่มันหุนที่มันที่มันไม่พอใจอ ม, มันจะมันจะโมโหแรงใช่แสดงว่าไปนั่งสมาธิอชนิดเพ่งเอาเ<อ>ป็นน้อมเข้าหาความสงบนะแต่ไปลองนั่งสมาธิแล้วไม่น้อมไปหาความสงบนั่สมาธินั่งเจริญสติไปเช่นเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู นั่งกายหายใจใจเป็นคนดูพอใจหนีไปคิดก็รู้แล้วก็มาหายใจใจเป็นคนดูเรื่อยเยพยายามทำแบบนั้นนะครับมนะันคงไปไปบังคับออใช่ั้ย เ, เดี๋ยวไปบังคับมันนะหรือน้อมให้มันนิ่งลงไปนะถ้าจิตไปติดความสุขความสงบของสมาธิจะยิ่งโมโหมากกว่าเก่าอีกขอบคุณครับนรัตการหลวงพ่อคะ่ะส่งการบ้านในรอบหนึ่งปีคะ่ะเมื่อปีที่แล้วมารายงานหลวงพ่ อ, อว่า เหมือนนั่งสมาธิแล้วก็ดูสภาวะที่เกิดกับจิตอะค่ะแต่ว่าเหมือนดูแล้วงงๆแล้วก็ถ้านั่งนานๆมันจะเหมือนจะเออๆไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลวงพ่อก็เลยสรุปว่าสติมันไม่ทันใจมันไหลไปแล้วมันไม่มีแรงก็เลยให้ไปดูกายเยอะๆแล้วเดี๋ยวที่สิ่งที่เคยทํามามันจะมาต่อกันได้เองนะคะทีนี้ก็ไปดูกายก็ปีที่ผ่านมาก็ดูกายแล้วก็ใช้วิธีอยู่ว่าที่หลวงพ่อเทนในซีดีที่บอกว่ากายหายใจแล้วให้ใจเป็นคนดูค่อยๆดูอะค่ะ ก็ดูมาหนึ่งปีรู้สึกว่ามันยังยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อะค่ะพยายามหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวหน่อยหายใจแล้วรู้สึกตัวเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนิดหนึ่งนะใจมันกระจัดกระจายมันจะไม่ค่อยรู้อะไรอ ะ, ะแล้วที่ตอนที่หายใจมันจะมีถ้าอยู่ที่ตอนที่ทําที่บ้านเนี้ยค่ะมันจะเหมือนกับมันจะสงบกว่านี้หน่อยค่ะคือถ้าหายใจแล้วใจเป็น หายใจแล้วใจเป็นคนดูอย่างนั้นนี่คือใจมันยังเป็นคือหนูแยกไม่ออกระหว่างสมาธิที่ตั้งสองแบบอะค่ะที่หลวงพ่อบอกอตั้งมันกับตั้งแช่ไม่ทราบว่าตอนที่นั่งแล้วรู้สึกว่ามันสงบดีนั่นคือมันเป็นตั้งแช่หรือมันเป็นตั้งมั น, มนไปแช่กับความว่างๆนะอย่าไปให้มันติดในว่างๆพนะยายามเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนิดหนึ่ง ความรู้สึกตัวให้มันเข้มขึนนิดนิดเดียวนะถ้าแรงไปมันจะแน่นถ้าความรู้สึกตัวไม่พอมันจะกระจายกว้างๆมันจะเออเออไปเหมือนที่ทำมาก็ยังยังไม่มีใจตั้งมั่นใช่ไหมคะหลวงพ่อมันมันมันดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ว่าต้องเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นอีกนิดหนึ่งใจมันจะกระชับกระเฉงขึ้นเพิ่มเพิ่มยังไงครับก็เนี่ยหายใจแล้วรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดนึง รู้สึกตัวให้มันเข้มขึ้นนิดหนึ่งอะลืมตาสิลองลืมตาอย่าไปนั่งหลับตานะพยายามลืมตาไว้มันก็เคลื่อนไหวเลยช่วยมันกระดุกกระดิกไปทำงานไปนะเห็นร่างกายมันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นทำงานไปเลยถ้าดูลมแล้วมันลีเอียดเกินใจมันเคลิมก็มาดุกกายทั้งกายไปเลยเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูนี่เห็นร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูนะ ให้รู้สึกให้มันเข้มข้นขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่เราความรู้สึกให้เข้มข้นมากไปมันจะแน่นถ้าแน่นแน่นก็แสดงว่าแรงไปถ้าเออเออเลื่อนเลื่อลายๆแสดงว่าเบาไปแสดงว่าที่บางจังหวะที่นั่งเรารู้สึกเหมือนกับเหมือนกับมันดูกายเหมือนกับบางจังหวะรู้สึกเหมือนมันแยกนิดนหน่นอยๆนะมันมันแย้งหรืออ ย, ย่างอื่นไม่มันก็แยกนะแต่ว่าพอเรานั่งสมาธิแล้วเราไปน้อมใจเข้าไปเนี้ยมันจะทำให้เอออๆไปแล้วไม่ไม่ค่อยเดินปัญญา ที่ตอนจังหวะที่แยกนั่นคือมันตั้งมั่นหรือยังมันตั้งมั่นสิมันตั้งทีละขณะตั้งได้แวบๆนะเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยที่หนูพยายามฟังซีดีหลวงพ่อจะบอกว่าพอมันแยกจะเห็นแบบกายอยู่ส่วนหนึ่งแล้วจิตอยู่ส่วนหนึ่งเงี้ค่ะที่หนูเห็นหนูจะเห็นแต่กายค่ะอะไรที่เกี่ยวกับจิตเหมือนกับมันจะไม่เห็นเห็นแก่นว่ากายอยู่ส่วนกายนะจิตเป็นคนดูกายกับจิตเป็นคนละอันต้องมีสองอันนะถ้าเหลืออันเดียวแสดงว่าเราเพ่งน่ะ ถ้าเหลือกายอันเดียวก็แสดงว่าเพ่งกายเหลือจิตอันเดียวก็แสดงว่าเพ่งจิตนะอย่าไปติดนิ่งนิ่ ง, งว่างๆงไปแล้วถ้าเราแยกไม่ออกที่สมาธิอสองอย่างเราต้องทําย่า ง, งนี<ห>นตอนเนี้นะที่จําเป็นเร่งด่วนนะคือเพิ่มความรู้สึกตัวให้เข้มข้นชนิดหนึ่งอย่าให้ใจเลื่อนลอยไปรู้สึกรู้สึกรู้สึกไว้นะถ้ามันยังลอยอยู่นะนวดมันเข้าไปเลยนี่เห็นร่างกายนะรู้สึกมันเข้าไปเลยนะนวดนี่อย่างนี้เลยนะ เออเนี่ยจับมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็โปรชัดขึ้นมาเองมิงี้ยมันจะเบาไปแล้วจังหวะที่เหมือนตอนใกล้ๆจะหลับกับตอนที่ตื่นใหม่ๆอะค่ะมันจะเหมือนรู้สึกว่ากายมันก็หายใจของมันไปที่เออนั่นแหละมันแยกไอ้สภาวะอย่างนั้นคือมันคือตั้งมันใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นเราทําขึ้นมาค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าฝึกจิตตั้งมันอะให้ดูแบบจิตไหลไปคิดแล้วรู้เงี้ยค่ะคือท่านเหมือน หนูไม่รู้จักว่ามันไหลอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูจะฝึกยังไงอะคะ่ะตอนนี้น ะ, ะู่ร้จักวาตอนนี้หนูไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นเลยนะหนูรู้สึกตัวให้เข้มข้นขึ้นนิดหน่อยนะเดี๋ยวหนูก็จะรู้จักตัวอื่นหรอกเพราะตอนนี้ใจมันเบาไปมันไหลไปไม่เห็นหรอกหลวงพ่อคะยัง <มา S 2> <ะ>ยังไม่จบรอขอเข้ามาจะขอเข้ามาห ล, งลว <S <S> <S หลงพ่อแล้วก็แม่ชีแล้วก็ทุกท่านในวัดด้วยค่ะเออนะแล้วขอเข้ามาทุกคนเลยเนาะไม่เฉพาะในวัดหลวงพ่อหรอกอ้อ้ คนสุดท้ายแล้วกบาบนมมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อเดือนที่แล้วที่หลวงพ่อให้การบ้านไปว่าให้รู้และดูอยู่เฉยๆแล้วก็ไปดูแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้คือดูในชีวิตประจำวันค่ะนั่งดูดูไปถึงรู้ว่าจิตคนเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาออมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันค่ะออมันเยอะมากแต่โน้อยากให้ใจเคลื่อนนะค่ะแล้วก็ ไปนั่งสมาธิอีกสองวันไปนั่งสมาธิณนะตอนที่นั่งอะค่ะคือว่าทุกเวทนามันเกิดเกิดมากแสนสาหัสมากค่ะแต่เหมือนเราดูอยู่อะค่ะอืพอดูรู้ถึงรู้ว่าทุกเวทนาเนี่ยพอถึงเวลาในที่สุดเนี่ยทุกเวทนามันจะดับไปเองอแล้วก็ไม่มีกายเลยค่ะอืรู้อยู่แต่ว่าเห็นแต่จิตจิตนี่จะอือยู่ของเขาเฉยอื ก็เลยมารู้ว่าจริงๆแล้วกายก็คือกายจิตก็จิตจิตเนี่ยตัวทุกข์ล้วนๆเลยค่ะณออที่รู้ตอนนั้นคือรู้แต่ว่าต้องการจะไม่เอาแล้วไม่เอาจิตนั่นแหล ะ, ะไปให้รู้ทันนะจีนมีโทสะค่ะรู้ว่าไม่ไม่ไม่ไมอยากกลางนะค่ะของนูไปดูตัวนี้โนูมีจุดอ่อนอันหนึ่งเวลาหนูคิดถึงธรรมะเนี่ยใจมันจะเคลิมใจมันไหลไปกับธรรมะนะค่ะ นี่เราะมัดระวังโดยเฉพาะอยวไปเทศธรรมะให้ใครฟังนะถ้าหนูขยันเทศหนูจะเทศแหลกลานไปไม่เลิกเลยตอนนี้มันจะเหลือทั้งวันเลยก็หรือเขารำคาญแล้วก็พยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆรสึกตัวให้มันแรงขึ้นนิดหนึ่งหลวงพ่อคะแล้วกรณีที่ว่าพอเราสงบอะทำไมถึงเห็นเป็นภาพอะคะก็คนเราคิดเป็นภาพเนี่ยบางคนก็คิดเป็นตัวหนังสือด้วยซ้ำไป คือภาพที่หนูเห็นเนี่ยเมื่อสองอาทิตย์ก่อนน่ะหนูเคยอยากได้รถคันนี้ค่ะอหนูตั้งใจว่าหนูอยากจะเปลี่ยนรถแล้ะที น, นี้หนูก็ลืงคิดไปนานล้วหนูไม่ได้คิดแล้วว่าหนูจะอยากได้อะไรมันอีกแล้วพอวันนั้นจิตมันสงบมันเห็นภาพรถคันนี้มันโผล่มาต ร, ตรงหน้าเลยค่ะสัญญามันผุดขึ้นมาเห็นไหมมันโผล่ได้เองค่ะคือโผล่มาเป็นแบบรูปรถเลยค่ะโอ้อไม่แปลกหรอกธรรมดา ยังเคยไม่นั่งนั่งอยู่หน้าใครปผล่ขึ้นมาสักคนเนี่ยสัญญามันผุดขึ้นมาไม่แปลกธรรมดาเรียกว่าคิดมีภาพมีภาพประกอบต่อไปหนูต้องทำยังไงต่อทำมีสติให้เยอะขึ้นนะใจไหลไปรู้ทันรู้สึกตัวให้เข้มข้นขึ้นใจอยากพูดธรรมะให้รู้ทันใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันจำไว้ไหมหลายอ่านจังเลยมาด้วยกันช่วยกันจานะ เอาหนูนะใจมันชอบไหลไปฟุ้งไปในธรรมะนี่ตัวหนึ่งนะค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือพอมันเห็นสภาวะแล้วมันไม่เป็นกลางหรอกมันลำคาญนะให้รู้ทันเออนั่นแหละไม่หลอกหรอกอันนี้เรื่องจริงเลยล่ะิดรู้ให้ทันสองตัวนี้แหละค่ะอยากพูดธรรมะให้รู้ใจลำคาญในอารมณ์ทั้งหลายให้รู้ค่ะจําได้ยังจําได้ค่ะได้ว่ามาสิ <c oughs> คือใจรังคารคือให้รู้ให้รู้อยู่เฉยๆแล้วก็จะพูดอะไรก็คือต้องมีสติแนบแล้วก็ให้รู้รู้ดูเฉยๆนะคะไม่ได้ไปกำหนดค่ ะ, อ, ะอย่าให้มันฟุ้งในธรรมะน ะ, ะเอาละหมดแล้วเชิญกลับบ้าน